ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องปฏิบัติธรรมมากล้ำความสุขโดยสมณะทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่24พฤษภาคม2547ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณนะบัดนี้ อาตมามีพระสูตรหนึ่งนะคิดว่าพวกเราน่าน่าจะรู้เอาไว้นะชื่อสุขสูตรเป็นสูตรที่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสเอาไว้ น, นในพระไตรปิฎกเล่มที่22ข้อที่ส4 9อ่ท่านตรัสถึงนักปฏิบัติธรรมเนี่ยหรือคนที่มาถือศีลเนี่ย อยากที่จะมีความสุขมากๆคือในการปฏิบัติเนี่ยพอปฏิบัติแล้วให้มีความสุขมากๆนะจะไม่ใช่ปฏิบัติทำแล้วยิ่งปฏิบัติไปก็หน้าดำขึ้นเรื่อยหน้าดาขึ้นเรื่อยไอ้ น, นี้ยิ่งปฏิบัติก็เอาลงมา <c oughs> เอาลงมารอไว้ได้ละนะเดี๋ยวก็คงไม่รอดแน่เพราะฉะนั้น ปฏิบัติแล้วเนี่ยผู้เจ้าท่านอันนี้ลองลองฟังในสำนวนนะสำนวนในประไตยปิฎกแล้วนะท่านก็ตรัสว่ามีธรรมะหกประการนี้ย่อมเป็นผู้มากด้วยความสุขและสมนัสในปัจจุบันนั่นเทียวและย่อมเป็นผู้ปลาและย่อมเป็นผู้ปรารบเหตุเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายคือหมายถึงว่า ว่าถ้าปฏิบัติ6อย่างเนี้กิเลสก็จะหมดเกลี้ยงได้ด้วยรวมไปทั้งปฏิบัติแล้วก็จะทําให้มีความสุขในการปฏิบัติธรรมไม่ใช่บอกนะไม่ใช่ปฏิบัติไปก็ยิ่งปฏิบัติก็ยิ่งเครียดยิ่งปฏิบัติก็ยิ่งอะไรอะทุกทรมานเพียงอย่างเดียวซึ่งอรตมาเคยพูดไปบ่อยว่าถ้าใครปฏิบัติแล้วเป็นอย่างเนี้ย ไม่รอดหรอกเดี๋ยวก็ต้องเลิกปฏิบัติเพราะที่เรามาปฏิบัติเนียกิเลสหมดแล้วมาปฏิบัติตหรือว่ามาปฏิบัติทั้งที่มีกิเลสก็ยังมีกิเลสอยู่เอ๊ะมาปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่กิเลสมันหมดแล้วเพราะฉนั้นอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเราจะทําอะไรไปได้ตลอดรอดฝั่งอย่างน้อยๆเราต้องเป็นยังไงเราถึงจะ เนี่ยพอเจออุปสรรคเจอปัญหาแล้วเราก็ยังอดทนที่จะสู้ปฏิบัติต่อไปมันต้องมีอะไรเป็นเชื้อมีอะไรที่จะเติมเติมในจิตในใจเราที่จะทําให้เรารู้สึกว่าเอออย่างงี่แหม่ค่อยหน้าปฏิบัติหน่อยฮะเอ า, อางี้คนซื้อหวยเนี่ยก็อยากได้อะไรก็อยากให้ ถูกลงวันใช่ไหมว่าถูกลงวันแล้วถึงจะได้เงินแล้วกไ็ไอ้ที่ถูกลงวันแล้วได้เงินเนี่ยก็คืออะไรได้อะไรได้อะไรพอพอได้เงินมาเนี่ยมันจะทำให้เป็นยังไงในความรู้สึกของเขาอะ่ะ เ, เขาก็โอ้โหมีความสุขแหมเพราะว่าถูกถูกหวยเพราะว่าอะไรอะ่ะถูไอ้รางวัลที่จะเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่ เขาจะรู้สึกมีความสุขจริงๆก็พวกเล่นหวยเนี่ยโลภทั้งนั้นอ่ะหวังอยากได้เงินมาง่ายๆแล้วก็หวังฟุกได้ก้อนโตๆมาอะไรอย่างเงี้เพราะฉะนั้นตัวหวังจริงๆเน่ยคือหวังความสุขเพราะนนั้นตอนนี้เรามาปฏิบัติธรรมจริงแล้วเราไม่ไปเล่นหวยกับเขาแล้วต้องเลิกและเล่นหวยนี่แต่บอกแล้วว่าเรายังมีกิเลสอยู่เพราะอย่างน้อยเนียเน่ยเรามาถือศีล นะมาถือศีลห้าถือศีล8ปดหรือว่ามาอยู่วัดมาปฏิบัติธรรมยังไงก็ตามก็ยังปฏิบัติธรรมแล้วก็อยากมีความสุขเพราะฉะนั้นพระสูตรนี้นะพระพุทธเจ้าท่านใช้ชื่อว่าสุ ข, ขสูตรเนี่ยหมายถึงสูตรที่ปฏิบัติธรรมแล้วจะมีความสุขและไม่ใช่สุขธรรมดาท่านใช้ว่าย่อมเป็นผู้มากด้วยความสุขดนะ ไม่ใช่ว่าสุขน้อยจะเป็นมีความสุขอย่างมากเลยนะหกข้ออ่าตอนนี้เราลองฟังดูหข้อข้อที่หนึ่งท่านบอกว่าจะต้องเป็นผู้ผู้ยินดีธรรมะหรืออาตมาใช้ภาษาง่ายๆก็คือว่าอย่าเบื่อธรรมะ <laughs> คนที่กิจเนี่ยนะตอนแรกเนี่ยพอมาปฏิบัติธรรมอ่ะก็ก็คิดว่า ธรรมะเนี่ยจะช่วยดับทุกข์เราได้ใช่ไหมเราก็แหมอยากที่จะอะไรฟังเทศฟังธรรมอยากที่จะแหมสนใจอ่านหนังสือธรรมะนะหรือว่าอะไรอะ่ะอยากจะลงมือปฏิบัติอยากจะอะไรที่มันแหมรู้สึกว่าธรรมะเนี่ยจะช่วยเราแน่นอนส่วนใหญ่มาแรกๆใหม่ๆก็คิดอย่างเงี้ยแต่บางทีเนี่ย พอมาปฏิบัติเข้าหน่อยหรือว่าเจอความลําบากเข้าหน่อยเพราะการปฏิบัติธรรมจริงๆมันเป็นไงมันเป็นเรื่องที่บางทีต้องมาฝืนใจเราหรือว่าเรื่องที่บางทีต้องมาขัดเกรากิเลสเราอะ่ะเพราะฉะนั้นมันชักไม่สนุกอย่างที่คิดมาตอนแรกแล้วยิ่งมาเจอผัสสะไอโนนเจอผัสสะไอนี่เพราะฉะนั้นพอเวลาเจอผัสสะใช่ไหมก็จะแบบว่า โอ้โหที่ชักถอยล้ชักไม่อยากที่จะอะไรอ่ะชักไม่อยากฟังเทศฟังธรรมชักเบื่อชักเบื่อเพราะตรงนี้นะอาตมาให้สังเกตนะถ้าใครเนี่ยมาถือศีลมาปฏิบัติธรรมแล้วเริ่มรู้สึกชักเบื่อล้ไม่ค่อยอยากจะฟังธรรมเบื่อจะมาวาดัดเบื่อที่จ ะ, ะบีตาบะเบื่อที่จะ รักษาศีหรือตัวสีอย่างกันอย่างนี้นั่นแหละให้รู้สึกได้เลยว่าคนนั้นน่ะเริ่มเริ่มที่จะหมดความสุขไปเรื่อยๆแล้วแล้วก็จะคิดแต่แต่มุมทุกข์ละคือคิดแต่ในเรื่องที่มันจะเบื่อมันจะเซง็งมันไม่เห็นเป็นไปอย่างใจเราเลยคือถ้าเริ่มคิดอย่างนี้นะคนนั้นน่ะก็จะยิ่งหมดไอ้ความยินดีเนี่ยฉันทะเนี่ยในอิธิบาทนี่นะ ข้อนข้อที่หนึ่งเนี่ยผู้เจ้าท่านย้ำเลยว่าจะต้องยินดีในธรรมนั้นคือต้องมีสัมมาทิฏฐิหรือว่ามีความชัดเจนในในตัวนี้แล้วก็จะต้องใส่ความยินดีอยู่เสมอบางทีปฏิบัติไปบอกแล้วโอ้โหโดนติบ้างโดนว่าบ้างหรือก็มีกฎเกณฑ์มีกฎระเบียบอะไรต่างๆใช่ไหมพอปฏิบัติไปปฏิบัติไปเอมันชักยากสิมันไม่ง่ายเหมือนที่ คาดหวังเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นพอเราเจออุปสรรคเราเจอปัญหาพวกเนี้จิตมันจะเบื่อมันจะเซ็งมันจะละอาได้เพราะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมที่จะมีความสุขในการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะต้องใส่ความยินดีเข้าไปในในสิ่งที่เราประพฤติหรือปฏิบัตินั้นเนี่ยเสมอเสมอสมว่า ม, ม, ม, มันมาวัดอย่างเงี้ยคุณจะต้องพยายามพิจารณาอยู่เรื่อยเลยว่า เออมาวัดนี่แล้วมันมันได้ดิบได้ดีอะไรยังไงบ้างที่ทำให้รู้สึกว่าเออทำให้เรามีความสุขใช่ไหมไม่ใช่บอกโอ้โหมาวัดวัดก็ไกลมาฟังธรรมกบแหมเทศนานจังเลยเนีหรือว่ารูปนี้เทศโอ้ยเราไม่ชอบเลยสไตล์แบบนี้เราไม่ชอบคื อ, ค, อคือคือคิดแต่งแง่ลบที่ทาให้เราเนี่ยเบื่อ ในการฟังธรรมหรือเบื่อในการที่จะถือศีลข้อนั้นๆเพราะเราเราเนี่ยไปมองแต่ในแง่มันลำบากมันทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าใครเนี่ยมีจิตคิดอยู่แต่อย่างนี้อาตมาถึงบอกเดี๋ยวก็เลิกไม่รอดหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องใส่ความยินดีเข้าไปเลยในการปฏิบัติสมมุติว่าใครตั้งตบาบะเนี่ยนะสมมุติว่าเราตั้งตบาบะว่าไม่กินขนม่ จช่ไหเสร็จแล้วก็ขนมก็มานะหรือ <antenna> ว่าบางคนโอ้โหบางคนเขาไม่รู้นี่ว่าเราตั้งตะบะเขาอุตส่าห์เอาขนมมาฝากด้วยซ้ําไปเขารู้ใจเราด้วยนะว่าชอบอะไรแล้วเขาก็โอ้โหซื้อของปโปรดมาให้เราด้วยนะแต่เราตั้งตะบะไม่กินขนมเพราะฉะนั้นพอเขาเอามาให้เราเนี่ยเราก็รั บ, บอ่ะหรือหรือจะไม่รับอ่ะ ถ้าใจแข็งก็อาจจะไม่รับหรือว่าบอกเขาให้รู้แต่บางทีบางคนก็เกรงใจใช่ไหมเกรงใจก็เออรับไว้จะกินหรือไม่กินก็เดี๋ยวอีกเรื่องหนึง่งแต่พอรับมาแล้วเนี่ยโอ้โหเขาเนี่ยมันอยู่ที่ความคิดแล้วโอ้โหนี่เราตั้งตาบ่าววะเนี่ยเอามาให้เราเดี๋ยวนี่ น, นกินไม่ได้อันเนี้ยอดกินนะโอ้โหน่าเสียดายจังเลยเนี่ยถ้าถ้าคุณเริ่มคิดอย่างเงี้นะคุณเริ่มไปแล้ะ มันชักใจเหี่ยวแล้วใจมันชักใจเหี่ยวแล้วโอ้เฮตา บ, บะนี่เอาไว้พุ่งนี้ดีไหมวันนี้ขอเป็นไปก่อนไหมเอาละเดี๋ยวความคิดมันจะเริ่มไปเรื่อยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าถ้าเร า, เาไม่เข้าใจตรงเนี้พอเรามาถือศีลหรือว่าเรามาตั้งตา บ, บะนะไอความคิดแง่ลบพวกนี้ยมันจะขึ้นมาความคิดที่จะให้เบือ่อให้เซง็งโอ้ยลำบากจังเลยดูสิ เนี่ยถ้าเราปล่อยความคิดอย่างเงี้ยเกิดขึ้นนะในการมาถือศีลในการปฏิบัติธรรมอาตมาบอกแล้วเดี๋ยวคุณเลิกแน่นอนไม่มีทางเลยที่คุณจะไม่เลิกแต่ถ้าพอเวลาเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยใหม่ๆจะยังไม่ค่อยรู้สึกหรอกใหม่ๆเพราะว่ามาปฏิบัติใหม่ๆ ม, มันมีปิติมันมีความตื่นเต้นอ่ามันมีความรู้สึกแหมแปลกใหมอ่มอะ่ะแปลกใหม่อ่ะเพราะนั้นมันมาทำเนี่ยมันจะรู้สึกสนุก แต่ถ้าคุณปฏิบัติไปได้สักหน่อยหนึ่งและสักระยะหนึ่งเนี่ยไอความแปลกใหม่นี่ชักชักธรรมดาละชักเฉยเฉยละบางคนนี่เลือกเนื้อสัตว์มาได้พอได้มันสักช่วงหนึ่งแล้วชักเฉยเฉยละโอ้โหแต่ตอนเลิกใหม่อือหือ mm hmm. มีความสุขเหลือเกินมีปิติเหลือเกินอ่าหรือว่าบางคนนี่พอลดมื้อได้มากินเหลือมื้อเดียวทั้งทั้งที่พอตอนที่อดตอนที่งด ตอนที่เว้นนี่นะปรากฏว่าหิวปรากฏว่าหิวนะแต่ถึงจะหิวเนี่ยก็ปรากฏว่าโอ้โหมีความสุขเหลือเกินที่วันนี้สามารถกินมือเดียวได้สามารถที่จะแบบว่าทำให้ตัวเราเนี่ยอะไรอะแทนที่จะหิวแล้วก็ทุกข์แล้วก็ลำบากนะแต่กลับมีความสุข แล้วก็ทำให้ทำได้ต่อๆไปด้วยอันเนี้ยคือความแตกต่างกันถ้าสมมติว่าใครเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยนะคนนั้นก็จะแบบว่าถึงจะหิวใช่ไหมคเนี้ยถึงจะรู้สึกโอ้โหบางทีแหมทรมานเหมือนกันนะแต่มันมีความสุขอะไม่รู้สินะอาตมาก็พยายามพูดให้พวกเราลองนึกดูสภาพของตัวเอง ถ้าใครเนี่ยมีสภาวะตรงนี้คนนั้นจะเข้าใจทันทีเลยเพราะคนที่ปฏิบัติทุกคนจะต้องมีสภาวะนี้ทุกคนถ้าใครไม่มีสภาวะนี้อาตมาบอกแล้วเดี๋ยวปฏิบัติไปสักคู่ก็เลิกก็เลิกหรือว่าไม่รู้ละบางคนอึดได้นานหน่อยก็อาจจะนานได้ระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็ต้องเลิกแต่ถ้าใครมีปิติมีความยินดี ในในการปฏิบัติในการถือศีลนั้นๆของเราเนี่ยคนนั้นก็มันทำได้เรื่อยมันทำไปได้ตลอดเพราะนั้นเนี่ยพระเจ้าท่านบอกว่าอะไรอะ่ะเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นก็ก็เป็นผู้เบิกบานเพราะนั้นคนที่ทำได้เนี่ยไม่ใช่ได้แค่ตอนใหม่ๆแล้วก็มีความสุขยิ่งได้นานเท่าไหร่ยิ่งได้ระยะยาวเท่าไหร่ยิ่งมีความสุขมากเท่านั้น เพียงแต่ว่ามันเป็นความสุขที่ไม่ได้แรงเหมือนเก่าแต่มันเป็นความสุขที่เหมือนกับว่าโอ้โหสบายแล้วมันมันสัมผัสได้ด้วยตัวเองด้วยนะว่าสบายจริงจริงด้วยโอ้โหกินน้อยมือมาได้ไม่ต้องไปกินเนื้อสัตว์ได้หรือว่าไม่กินขนมตั้งตะบะแล้วไม่กินขนมได้โอ้โหตอนแรกรู้สึกทรมานเหมือนกันนะแต่ในความทรมานมัน โ, โหภูมิใจเหลือเกินที่เราทําได้มันจะเป็นอย่างนี้เลยแล้ว ยิ่งนานวันยิ่งนานวันอนี่เดือนหนึ่งแล้วนะทําได้โอ้โหนี่ครึ่งปีแล้วนะทําได้นี่ปีหนึ่งแล้วนะนี่สองปีแล้วนะสาปีแล้วนะอออืืคุณจะมีปิติมีความสุขพวกเนี้อยู่ในใจเลยแล้วมันสุขจริงๆมันเป็นความสุขที่เบาสบายโปรง่งโล่งนะแล้วใจเราเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าเออมันไม่หนัก มันไม่เหนื่อยมันไม่ต้องไปเครียดหรือว่าอะไรเหมือนเดิมเพรา ะ, ะนั้นข้อที่หนึ่งเนี่ยจะต้องรู้เลยว่าจะต้องไม่เบื่อไม่เซ็งนะเติมความยินดีเข้าไปในในการปฏิบัตินั้นๆของเราต้องเติมยินดีเนี่ยแล้วจริงๆยินดีเนี่ยจะมีอยู่ทุกข้อเลยในหข้อนี้หข้อนี้พุทธเจ้าจะนาด้วยคาว่ายินดีทุกข้อ นะ้เอานั้นเป็นข้อที่หนึ่งนะแต่นี้พอข้อที่สองคุูเจ้าท่านตัดเอไว้ว่าเป็นผู้ยินดีในภาวนาคําว่าภาวนาเนี่ยทั่วไปเขาก็นึกว่าไปสวดมนต์ไปท่องบนไปอะไรอย่างนี้แต่ภาวนาจริงๆเนี่ยแปลว่ากระทําให้มากจริงๆแปลว่ากระทําให้มากนะภาวนาภาวนาไม่ใช่ไปสวด ทั่วๆไปเขาจะอะไรเขาจะใช้คํำติดกันเลยสวดมนต์ภาวนาอะไรใช่ไหยน่ะก็กลายเป็นไปสวดมนต์ไปพั่มบุญไปอะไรต่ออะไรนะจะไปท่องอะไรอะธรรมะข้อไหนหรือว่าอะไรอันนั้นไม่เกี่ยวนั้นเป็นเรื่องที่จะไปสวดไปท่องอะไรก็ไปท่องแต่ภาวนาในที่นี้พระุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าพูดภาษาง่ายๆนะพูดอย่างภาษาอัออตมาคิดเองดีกว่า คืออย่าขี้เกียจอย่าขี้เกียจในการที่จ ะ, ะปฏิบัติธรรมะนั้นๆก็ไม่รู้ละเราจะถือศีลเท่าไหร่เราจะตั้งตาบาอะไรไว้แต่จะต้องไม่ขี้เกียจเพราะภาวนาเนี่ยแปลว่าต้องทํำบ่อยๆต้องทําเสมอๆต้องทําให้มากๆไว้เพราะนั้นแล้วก็ไปยังไงคือถ้าเราขี้เกียจทำเนี่ยเราอาจจะทา ไม่มากเท่าไหร่ทำสักครั้ง2ครั้ง3ครั้งพอเจออุปสรรคเจอปัญหาใช่ไหมก็ชักไม่อยากทำแล้วเหมือนตัวอย่างนี้เห็นได้บ่อยเลยพวกเราที่บางคนสุขภาพไม่ค่อยดีอา้าแม้แต่หมอเนี่ยแนะนำว่าให้บริหารร่างกายบ้างแต่ปรากฏว่าเราก็เชื่อหมอต่อแรกๆพยายามมาบริหารได้สักบางทีไม่กี่วันน่ะ หรือว่าสักอาทิตย์สองอาทิตย์อะไรอย่างี้เดี๋ยวพอเลยเข้าไปหน่อยก็ชักขี้เกียจละคือทำตัวเหมือนเดิมทำตัวเหมือนเดิมคำว่าทำตัวเหมือนเดิมก็คือเอาเวลาไปทำอย่างอื่นซะแทนที่จะมาแบบว่ามาบริหารร่างกายเพื่อที่ให้สุขภาพตัวเองแข็งแรงแล้วก็อันนี้ก็หมอก็แนะนำเราแล้วด้วยแต่ปรากฏว่าเราเนี่ยขี้เกียจ ไอประเด็นนี้สำคัญมากเพราะส่วนใหญ่ไม่ใช่ว่าไม่รู้รู้อยากได้ความสุขไหมยอยากได้แต่ขี้เกียจจบเลยถ้าใครขี้เกียจทำเนี่ยแล้วก็ขี้เกียจนี่ ม, มีมีหลายวิธีนะขี้เกียจเนี่ยขี้เกียจแบบดื้อเลยก็คือเออช่างครับมันจะเป็นอะไรก็ช่างครับบางคนเนี่ยเออป่วยก็ป่วยเดี๋ยวกินยาก็ได้หรือว่า ไปให้หมอจับเส้นหรือว่าไปให้หมอหนวดเอาเราไม่ต้องมาเสียเวลามาออกกำลังกายอ่ะคือคือคือไปพึ่งอย่างอื่นเลยนะโดยที่จริงๆตัวเองป่วยก็ป่วยไปก็ช่างมาพึ่งหมอพึ่งอะไรไปเพราะอะไรเพราะความเป็นจริงคือขี้เกียจและที่จะมาออกกำลังกายเั้นจบเลยนะอา่าราถึงบอกโอ้โหตรงนี้ถ้าใครอย่างนี้นี่จบเพราะนั้นพรเจ้าถึงบอกว่าต้องยินดีในภาวนา คือจะต้องยินดีในการที่ถ้าเราทำอะไรเนี่ยต้องทำไปให้บ่อยๆทําไปให้มากๆต้องมีความยินดีเพราะนั้นเนี่ยข่าวไหนที่เราชักรู้สึกว่าเออชักขี้เกียจและชักขี้เกียจแล้วอย่างเช่นล่ากี้เนี่ยถ้าถูกว่าใครตั้งตาบะนะ่ว่างดเอาไม่ไม่กินขนมก็เราบางคนเนี่ยไม่เก่งปรากฏว่าพอทําไปปั๊บชนะบ้าง ทาไปบางทีแพ้มั่งชนะก็ดีใจพอแพ้ก็เสียใจเสียใจไปเสียใจมาก็ขี้เกียจเพราะมันไม่มันชักจะแพ้บ่อยเลยมันไม่ใช่ชนะบ่อยแลย้วคนนี้มันชักจะแพ้บ่อยหมดกําลังใจหรือพอทําไปแล้วเนี่ย ก็อยากได้ให้มันเร็วๆเกินไปจนกระทั่งเรียก ว, ว่าไม่เห็นผลสักทีไม่เห็นผลสัก ท, ท, กทีก็เลยขี้เกียจไม่อยากทําล้นะเบื่อละเซ็งละก็ทิง้งแล้วในที่สุดคนนั้นก็เป็นอย่างเดิมอีกไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ใครที่ป่วยยังไงก็ป่วยอย่างนั้นใครชอบกินอะไรยังไงชอบกินอย่างนั้นพอจะตั้งตาบะงด อ้ น, นีบงเว้นไอ้ห น, นีบางไม่กินนะไม่ทำอย่างนี้นะแต่ในที่สุดก็เลิกเพราะรู้สึกมันมันไม่ได้ผลสมใจเราเลยไม่ได้ไม่ได้ผลทันใจเราเพรอยะะข้อสองเนี่ยส่วนใหญ่บางทีเออยังไม่ไม่เบื่อนะก็ยังมีมีมีใจที่ที่อยากจะปฏิบัติธรรมอยู่แต่พอมาปฏิบัติข้าหน่อยเซ็งคันนี้เพราะ ทำน้อยเกินไปพ่อท่านถึงมักจะใช้คำว่าอะไรพ่อท่านใช้คำว่าอะไรทาดีฮะเออทาดีไม่ใหญ่ดีเพราะทาดียังไม่มากพอพ่อท่านถึงใช้คำนี้แล้วส่วนใหญ่เนี่ยที่ถึงบอกว่าที่มันยินดีไม่ขึ้นเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าเออ มันไม่ค่อยจะเห็นผลเลยแต่เราอยากอยากเห็นผลสมใจเราเนี่ยก็เลยลดเริ่มเริ่มไม่ไ ม, ไม่ไม่ค่อยจะขยันทำแล้วเพราะไหนที่สุดมันก็เลยไม่ได้จริงๆอยากได้ความสุขที่เป็นโลกุตละไม่ใช่สุขแบบโลกีสุขแบบโลกุตละเนี่ยมันยากกว่าสุขแบบโลกีสุขแบบโลกีเนี่ยใช้เงินทองซื้อหาเอาได้ อ่าใช่ไหมนะเขาซื้อความสุขกันเต็มบ้านเต็มเมืองแต่ความสุขแบบโลกอุตระเงินทองซื้อหาไม่ได้แล้วก็คนอื่นทำแทนเราก็ไม่ได้ด้วยนะใจเป็นแบบว่าเว้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวแกมีความสุขได้เดี๋ยวฉันทำให้แกเองแกนั่งเฉยเฉยไม่ได้แต่ลกลกโลกเขาทำแทนกันได้เขาหาเงินทองเขาอะไรให้แทนกันได้ แกไม่ต้องทำเดี๋ยวฉันทำให้แกได้แต่ความสุขแบบโลกุตระนี่ของใครของคนนั้นจะได้ก็ต้องด้วยตัวเองทำเองผู้จา้าถึงบอกตนเป็นที่พึ่งของตนเนี่ยคือตัวเองทำเองเท่านั้นถึงจะได้แม้แต่ทาบุญเนี่ยที่บอกอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ตาย น, นี่ขนาดทาบุญน ะ, ะทำบุญไปให้พ่อแม่ทาบุญไปให้เพื่อนหรือว่าทาบุญไปให้คือญาต ผู้จ่ายังบอกไม่ได้เลยบอกพ่อแม่หรือเครือญาตินี่ไม่ได้นะคนที่ได้คือคนที่ทําบุญนั่นแหละที่เป็นคนทําเองนั่นแหละที่เป็นคนได้ผูเจ้าท่านก็นยืนยันอยู่อย่างนี้เพราะถึงบอกว่าคนที่จะได้บุญหรือได้ความสุขอย่างอย่างเป็นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องทําด้วยตัวเองจะขี้เกียจจะเบือ่อจะเซง้งก็อดก็ไม่ได้แล้วก็ทํามากถึงจะได้มาก ในเมื่อทำน้อยก็ได้น้อยนะสิแต่ที่ผิดพลาดเนี่ยก็คือว่าส่วนใหญ่เนะี่ยจริงๆทำน้อยแต่คิดว่าตัวเองทำมากส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้คือจริงๆทำไม่เท่าไหร่เลยแหมเพิ่งลงมือถือศีลหรือตั้งตาบาไปไม่กี่วันเองนะหรือว่าเดือนเดียวเองอะไรเงี้ยนะ แล้วก็หวังโอ้โหจะให้มีความสุขแบบที่เขาปฏิบัติกันมาเป็นห้าปีสิบปีโอ้โหท่านวางได้แล้วเจอภาษาอย่างงานอย่างนี้ท่านก็คลายใจได้ท่านวางใจได้ก็ท่านฝึกของท่านมามากพอสมควรแล้วอะแต่ เ, เราเนี่ยบางทีเพิ่งทํานิดหน่อยเองอันเนี้ยมันมันจะเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้แหละนมาอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยให้รู้ความจริงเถอะ ที่คุณเนี่ยยังไม่พ้นทุกจากเรื่องนั้นๆเนีน่คุณยังทําน้อยไปแต่คุณหลงเข้าใจตัวเองผิดไปเองว่าเราทำมามากแล้วเราเลยคิดว่าเราน่าจะพ้นทุกไอเรื่องนี้ได้แล้วแล้วอะไรที่บอกว่าทํามาน้อยไปเรื่องนี้เพราะคุณไปสะสมมาตั้งเยอะบางทีบางคนเนี่ยสะสมมาสมมติว่าไอกิเลสเรื่องนี้นะ สมมบางคนไปสะสมกิเลสเรื่องกินมา1ิบปีโอ้โหชอบกินนี่นี่ชอบกินนี่นี่ชอบกินนี้นี่เสร็จแล้วให้คุณมาเลิกนะแม้คุณพยายามโอ้โหฝืนใจนะสู้กับไอ้ไอกิเลสตัวนี้นะคุณสะสมมาเบิ่มเทิมเลยสิบปีนี่ไม่รู้กี่กิโลนะแต่พอบอกว่าแหมมาอยู่วัด โ, โหมาอยู่วัดตั้งเอาเอาเอ า, เอาปีนึงเลยเอา มาอยู่วัตั้งปียิงแล้วนี่แมวมันน่าจะหลุดออกไปแล้วนะถ้าคุณลองที่บระตาส่วนอย่างจริงๆอย่างน้อยๆนะคุณสะสมมาตั้งสิปีนะถ้าเอาอย่างอย่างเรียกว่าตามความยุติธรรมนะคุณก็อาจจะต้องสู้กับมันถึงสิปีอะ่ะคุณถึงจะล้างมันทิ้งไปได้อันนี้พูดแบบแบบอะไรอะ่ะก็คุณสะสมมาตั้งสิปีอะ่ะแล้วคุณมาสู้คุณจะเอาแบบเดี๋ยวเดียวแล้วก็ได้ ไม่มีทางหรอกแต่ใหม่ๆเนี่ยบางทีนะ่หลอกตัวเองพาอบอกแล้วบางทีมันมีปิติมันมีสุขเพราะว่ามันแปลกใหม่มันอะไรอย่างนี้ก็เลยบางทีนึกว่าได้แล้วก็มีแต่จริงๆเนี่ยมันยังมีเชื้อมีอะไรเหลืออยู่นะแต่เราคิดว่าเราได้ก็มีแต่พอจะหลังมันโผล่มาให้เห็นอีกโอ้โหทุกข์อีกแล้วเพราะว่ากิเลสคนเราเนี่ย ล้างยากที่สุดเลยแกก็แก่ยากที่สุดในโลกนี้เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยตัวที่เราจะต้องขยันในการปฏิบัติธรรมต้องให้มากพอเนี่ยคุณต้องจำใส่ใจเลยว่าต้องให้มากพอต้องให้มากพอเจอคนที่เราไม่ชอบใจเห็นขี้หน้าก็สะบัดหน้าเลยเราไม่ชอบคนนี้ไม่อยากมองไม่อยากพูดด้วยไม่อยากคุยด้วย แต่คุณรู้แล้วว่าไม่ดีคุณก็มาฝึกใช่ไหมคราวนี้เอ้ยถ้าเจอคนนี้คราวนี้เราจะพยายามมองหน้าจะพยายามยิ้มให้จะพยายามพูดดีๆ ด, ด้วยกับเขาครั้งที่หนึ่งพอปรากฏว่าพยายามยิ้มให้นะพยายามมองหน้าอ้าวปรากฏว่าสมมถือว่าเขาก็ยังไม่ดีด้วยกับเราพอเจออย่างนี้เข้าบางทีบางคนเนี่ยตั้งจิตไว้ดีนะแต่ว่าต้องพยายามทําให้ได้ แต่พอเจอครั้งเดียวนั่นเองบางคนไม่เอาอีกแล้วเลิกพอแล้วครั้งเดียวก็เกินพอบางคนจะอย่างนี้เลยจะไม่มีใจที่จะแบบว่าเอ้ยนี่เรายังแหม่เพิ่งทาครั้งเดียวเองนะหรือว่าทำอีกนาครั้งที่สองนะแม้ครั้งที่สองอนะ่ะยังไม่สมเร็จอีกครั้งที่สามนะครั้งที่สี่นะครั้งที่ห้านะ่าะมันต้องต้องพยายามไปจนเรียกว่าถึงที่สุดอนะ และหนที่สุดมันก็ต้องได้ไม่มีว่าความเพียรไหนไม่ได้ผู้เจ้าถึงตัดว่าอา้าวคนจะร่วงทุกได้เพราะความเพียร อ, อ้าวอ่าหรือความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นอ่าเพราะฉะนั้นแล้วอันเนี้ยชัดเจนเลยคำพูดนี้ไม่ได้หลอกลวงใครแต่ส่วนใหญ่อาตมาบอกแล้วพอทำได้หน่อยแล้วเนี่ย ไม่ไหวแล้วรู้สึกว่าทําแล้วมันจะมีแต่ทุกข์ก็ทีอย่างเงี้ยมันไม่เห็นมีสุขเลยเพราะนั้นเลิกทําดีกว่าเพราะฉะนั้ น, วะะ น, นความที่เราเนี่ยจะอดทนอดกัน้นแล้วพยาพยามทําต่อพยายามทําต่อมันเลยไม่อยากทําต่อแล้วมันก็เลยเลิกความเพียรจะลดลงเรื่อยลดลงเรื่อยจากความเพียร ม, มยาแยกกลายเป็นความเพลียแล้วในที่สุดก็เลิกเลิกทิ้งเลย อันเนี้ยข้อที่สองนะเราจะต้องพยายามเราจะต้องเตือนเลยใช้คำที่พ่อท่านสอนนี่แหละนะว่าทำดียังไม่ได้ดีเนี่ยเพราะเรายังทำดีไม่มากพอนะอันเนี้ยชัดเจนอนส่วนข้อที่สามนะเป็นผู้ยินดีในการละอยายินดีในการละก็หมายถึงว่าเรื่องอะไรของเราล่ะที่เราจะละเราจะเลิกอะ่ะที่เรารู้สึกว่า เนี่ยเรื่องเนี่ยทำให้เราทุกข์อยู่เรื่อยเลยเพราะฉะนั้นมันจะต้องทิ้งได้ต้องหัดตัดใจต้องหัดฝืนใจถ้าใครเนี่ยจะละจะเลิกอะไรมาเนี่ยแล้วไ ม, ไม่ไม่พยายามหัดตัดใจไม่พยายามฝืนใจไม่พยายามบังคับใจตัวเองเนี่ยมันมันเลิกไม่ได้หรอกแล้วก็จะไม่มีวันที่จะมีความสุขได้ด้วยเพราะนั้นคนปฏิบัติธรรมแล้วจะมีความสุขได้เนี่ย เพราะว่ามันยามตัดใจจริงๆเพราะอะไรรู้ไหมที่จะทำให้มีความสุขขึ้นมาได้เพราะมันไม่โดนอุปทานเก่าเนี่ยมาครอบเอาไว้